เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จกขูสัมผัสสชาเวทนาโสตสัมผัสสชาเวทนาขานะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายะสัมผัสสชาเวทนามโนสัมผัสสชาเวทนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้